เวลานี้ก็เป็นเวลาที่แนะนำในการเจริญกรรมฐ า, านแต่ว่าในตอนต้นจะขอแนะนำถึงหลักกรรมฐ า, านทั่วไปก่อนเวลา ใ, ใกล้ๆจะบ่ายเวลา ใ, ใกล้ๆบ่ายโมงจึงจะแนะนำวิธีปฏิบัติกรรมฐ า, านเฉพาะประตูยิธิคือ เ, เวลาตอนต้นนี้เคยแนะนำหลักสูตรกรรมฐ า, านทั่วๆไป การจริงการขึ้นต้นเหมือนกันทุกกองกรรมฐานจริงๆมีสี่สิบกองหลักการที่ผ่านมาแล้วที่เราเล่าสู่กันฟังมาเหมือนกันหมดทุกกองจะแยกกันต่อเมื่อแยกกองไปทำโดยเฉพาะแต่ต้องได้เบื้องต้นก่อนสำหรับวันนี้ก็จะยุดจะงดสุขาภิสกลไว้ช่วคราวเพราวานี้พูดถึงฌาน วันนี้ก็จะนํากําลังโองชฌานมาใช้ในด้านความเป็นทิพที่เรียกว่าทิพย์ุกุยานแต่ความจริงทิพยุกยานนี้ก็ศึกษากันมาแล้วท่านยังไม่ได้ไปเดี๋ยวก็ฝึกก็อย่ขอนําผลของทิพยกุยานมาเล่าสู่กันฟังในเมื่อทุกคนได้ทิพย์ุกุยานแล้วอย่าลืมว่าทิพย์ุกุยานแปลว่า มีความรู้สึกทางใจคลายตาทิพย์คือใจทิพย์นั่นเองทิพยคุยานี่เป็นพื้นฐานของญาณอีเจ็ดอย่างรวมทั้งทิพคุญานด้วยก็เป็นแปดอย่างอีกความจริงสําหรับท่านที่เจริญได้แล้วท่าควจะทำกรรมฐานญาณทั้งแปดอย่างนี้คล่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระในมีความสําคัญมากจําเป็นต้องทําให้ได้และให้คล่องเมื่อมีเวลามาก ความจริงการฝึกให้คล่องก็ใช้ไม่ใช้เวลาไม่มากนะักโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราคล่องในทิศกุยานยาณีเ7อย่างก็ได้เท่ากันเป็นไปได้รู้ จ, จักวิธีใช้ทนเองไม่มียากคำว่าทิศกุยานแปลว่าความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิศหรือว่าใช้ภาษาชาวบ้านเรียกว่า ญาตใจทิพย์คือเอาจิตรู้แทนตาเวลาที่เราจะใช้เราหลับตาก็ไม่ใช้ตาใช้ใจถ้าทุกคนได้ทิพุ ญ, ญาณและพยายามฝึกให้แคล่วคล่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่จะใช้กาลังญาณเพื่อความรู้ได้ความเป็นทิพย์ถ้ามีเวลามากอันดับแรก พิจารณาใข้โทนร่างกายเสียก่อนให้เห็นว่าร่างกายของเรานี้ไม่เกิดมาเพื่อทุกข์ก็องเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายที่มีในโลกทั้งหมดจะเป็นรายกายเรากายเขากายไทยกา ย, ายมนุษย์กายสัตว์เหมือนกันหมดมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางมีการสลายตัวในที่สุด อาดาที่เกิดทุ่งขึ้นก็มีแต่ความทุกข์ความเหน็ดเหนื่อยก็ความทุกข์ความร้อนเกินไปก็ทุกข์หนาวเกินไปก็ทุกข์ความหิวความกระหายก็ทุกข์ความปรารถนาไม่ค่ยสมหวังก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความรักพลาดเจตของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ไม่ในเมื่อเห็นแม้ร่างกายไป็นพื้นฐานของความทุกข์ก็คิดต่อไปว่าต่อที่ไป เราในเมื่อเราเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ต่อไปเบื้องหน้าถ้าบังเอิญนี่ร่างกายสลายตัวแล้วเราไม่ต้องการร่างกายนี้อีกเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานพอคิดอย่างนี้แล้วใจจะสงบจากกิเลสเมื่อใจสงบจะ ก, กิเลสก็ใช้อนาปานุสติคือลมให้ใจเข้าออกก็คำภาวนาแต่ก็อย่าใช้อารมณ์ให้เครียด ให้อารมณ์ใจเบาๆแบบสบายๆเอาในใจจับพระรูปประโคมององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเนจนแจ่มใสถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วก็ดูพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นในจุดนี้ถ้าเรานึกจิตใจนึกเห็นภาพพระพุทธรูปก็ดีได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ดีชัดเนจนแจ่มใสขนาดไหน ภาพปันนี้จะเป็นพื้นฐานในการเห็นของภาพทุกภาพต่อไปชนาเมื่อในเมื่อใช้กําลังทิพุญานที่เรียกว่ายังเป็นชื่อทิพุญานอยู่แล้วก็ต้องการเห็นอย่างเห็นเทว ด, ดาเห็นนางฟ้าเห็นพรหมเห็นนรกเห็นเปรตเห็นสุรกายเห็นสติฉันเห็นเขตแดนต่างๆจักรวาลทั้งหมดในดาวดวงดาวต่างๆ ต, ต, ต้องการเห็น ใครอยู่ที่ไหนเราอยากจะเห็นใจมันก็เห็นไปหมดอย่างนี้เที่ยวมีสภาพแจ่มใสของความเป็นชิดนี่คำว่าทิญญากุยานก็แค่เห็นกันที่ไปได้ไปกำลังข้อพิญญาแล้วจบต่อไปเราก็ใช้ยาที่สองต่อยาที่สองคือจุตูปปาติยา ทำว่าาจตุปปยายตญาณรู้การเกิดและการตายของสัตว์ทัางเขียนอย่างนั้นนี่ก็หมายความว่าเรานึกถึงคนหรือนึกถึงสัตว์หรือว่าเห็นคนหรือว่าเห็นสัตว์เห็นแล้วปั๊บเราอยากจะทราบว่าบุคคลคนนี้สัตว์ตัวนี้ก็อจะเกิดมาเป็นคนมาจากไหนมาจากนรก ได้มาจากเปรตมาจากสุรกายมาจากสถิรานมาจากคนมาจากเทวดาหรือพรมนางฟ้าก็ตามเราอยากจะทราบเราก็จะทราบได้ทันทีว่าการเกิดของเขานี่มาจากไหนตอนนี้ในถ้าทราบข่าวที่คนตายสัตว์ตายอยากจะทราบว่าคนที่ตายและสัตว์ที่ตายนี่ตายจากโลกนี้แล้วไปไหน เราจะเห็นภาพนั้นนะรู้ได้ทันทีว่าเขาผู้นั้นมีความสุขมีความทุกข์ไปขนาดไหนการรู้อย่างนี้เรียกว่าจุตูปปยาฏิยานแต่ความจริงก็ไม่ต้องฝึกอะไรอาตามแบบฉบับเขาต้องฝึกแต่ว่าผมพยายมลองทํามาแล้วไม่มีความจําเป็นต้องฝึกนี่ความสําคัญที่ทิพ ย, ยานตัวเดียวญาณเดียว ภ า, าตุภิกขียาดีการข้องตัวแล้วมันก็นรู้เองนี่ต่อไปก็เป็นเจโตวริยญาณยาเจโตวริยญาณนี่มีความสำคัญคือการรู้ใจของคนอื่นแต่ก่อนที่เราจะรู้ใจคนอื่นนะเรารู้เราต้องเห็นใจเราก่อนรู้ใจเราก่อนคำว่ารู้คือเห็นใจของเราก็ดีใจเขาบางคนอื่นก็ดี ตามลักษณะวิสุทธิมรต์จะบอกมีอาการอยู่หกอย่างลักษณะของจิตแต่ว่าถ้าโดยย่อแล้วก็เป็นสามอย่างคือใน จ, จิตสีดำจิตสีจิตสีขาวและจิตสีแดงแต่วิสุทธิมรต์ที่ขยายไปหกอย่างว่าดำมากหรือดำน้อยขาวมากหรือขาวน้อยแดงมากหรือ แ, แดงน้อยอันนี้เราไม่จําเป็นให้แค่สามอย่างพอ นี่อย่างอยากนะเป็นวิธีดูจิตอย่างอยาแเราก็ฝึกดูใจของเราใจของเราเวลาที่อารมณ์มันสบายอารมณ์ของสีของจิตเป็นยังไงตอนนี้สีของจิตโดยทั่วไปเขาพูดก่อนว่าถ้าจิตสีดำมีความทุกข์จิตสีขาวมีอารมณ์ทรงตัวอุเบกขาคืเฉยเฉยม่รมสบายสบาย ถ้าจิตชี้แดงมีความสุขมีความยินดียินดีจากผลที่ได้มาจากวัตถุที่ได้มานีเราก็ต้องพยายามฝึกจิตของเราดูใจของเราก่อนดูใจของเราว่าใจของเราเวลาเวลานี้กำลังใจเป็นยังไงมันมีสียังไงตื่นเช้าเมื่อจะมีความสาคัญอันนี้ไม่ยากแต่ว่าอย่าเข้าห้างตัว แต่เห็นกําลังจิตของเราเป็นสีเนื้อธรรมดาสีเนื้อธรรมดาไม่ใช่เขียวไม่ใช่แดงไม่ใช่ขาวอย่างไม่กี่นี้สีเนื้อธรรมดามันก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีความยินดีก็ถือว่าจิตนี้ยังมีกิเลสมากยังมีความเศร้าหมองมากเนี่ยต่อไปก็พยายามทําสมาธิให้สูงขึ้นมีใจเสียอายขึ้นพยายามนะครับอยู่วนอยให้โกนใจ เวลานั้นจะพราะเวลานั้นท่านอิวานะครับอารมณ์ใจมีความสุขถ้าจิตก้าวเข้าถึงสู่ขั้นปฐมฌานอางนงี้ก่อนถ้าจิตเริ่มเข้าถึงปีติภาพของจิตจะมีกระแสคล้ายๆกับสีเนื้อแต่ว่าเหมือนบางสีเนื้อเลื่อมเป็นมันขึ้นมาสีเลื่อมขึ้นมา ถ้าจิตเข้าเสื้อเข้าเข้าทิ้งปฐมฌานฌานที่หนึ่งรอบรอบตัวผู้จิตทั้งหมดมันจะเป็่ปจิตกลมเปลือกรอบเข้าไปทั้งหมดทุกด้านมันจะเป็นแก้วประมาณหนึ่งในสี่แล้วก็ต่อไปถ้าจิตเข้าทิ้งฌานที่สองก็จะไปแก้วใสเข้าไปในสองในสี่ลึกเข้าไป ถ้าจิตตั้งชาในสามมันจะเป็นแก้วหมดตัวแต่จะมีแกงกลางเป็นสีแดงถ้าจิตเข้าตั้งชาในสี่มันจะจิตเป็นแก้วใสทั้งหมดแกงกลายจะหายไปการฝึกดูจิตต้องดูทุกๆวันพยายามฝึกให้คล่องเพื่อเป็นการรู้กําลังใจของคนอื่นต่อไปถ้าเราใช้กําลังเขาวิปัสสนาหยาญควบ คือศีลสมาธิปัญญาในตังขดอยู่แล้วตอนี้เรามาใช่กำลังวิปัสนาญาณขั้นมีความสำคัญเอาขั้นตัด ก, กิเลตกันวิปัสนาญาณขั้นตัด ก, กิเลสถ้าหาปฏิบัติแบบสมสี่สมห์เนี่มันช้านี่เกินต้องปฏิบัติตามขอบเขตที่เขาจพึงได้กันมีวิปัสนาญาณขั้นแรกที่เราจะใช้เกิดคือใช้การตัดสังยาสามตรง สัญญาณสามมีอะไรบ้างคือหนึ่งสกายทิฏฐิสองวิจิกิจฉาสามจิรปรตาปรามาตก็มีแค่สามอย่างถ้าตัดได้สาอย่างอย่างหยาบแล้วอย่างกลางเป็นพปสุวดาบันถ้าตับได้ยยอย่ายงละเอียดเป็นพระศิษยาคามีอันนี้ก็ไม่ยากอันดับแรกเราก็จับเข้าตัดสัญญาโตต้ตนคือสกายทิฏฐิ สกายติถิเต็มแปลว่าคือว่าสกายติจรงแปลว่ า, ว า, า, วามีความรู้สึกว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราคือมีความรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะทรงอยู่ตราารกาะมันจะไม่แก่มันจะไม่ป่วยมันจะไม่ตายเพราะมีความเผลอจากกิเลสการตัดสกายติฐิก็ยอมรับตามความเป็นจริง ร่างกายของเรานี่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นต่อไปมันก็แก่ขึ้นไปทุกวันทุกวันในช่วงที่ทรงตัวอยู่มันก็มีอาการป่วยไข้ไม่สบายมีความหิวมีความกระหายมีความเดือดร้อนถ้ามีการพัดพลาจในของรักของชอบใจญ่ในที่สุดมันก็ตายไอ้ยอมรับนับผิวร่างกายตายร่างกายตายก็รู้กันแค่ตาย ปัญญายังไม่ได้ใช้สูงรู้แค่นี้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องตายกันแน่แล้วก็ใช้ปัญญานิดหนึ่งว่าความตายถ้าตายขึ้นมาแล้วมันจะไปไหนกันบ้างถ้าจิตของเราชั่วเวลาตายไปอบายภูมิถ้าจิตของเราพองใสมีอารมณ์บริสุทธ์จะไปสวรรค์หรือ ไ, ไปพมลโลกหรือไปนิพพาน จากนั้นก็เป็นการป้องกันอาบายภูมิคือว่าก่อนจะตายเราไม่ยอมไปอาบายภูมิจิตใจก็น้อมเข้าไปยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจนี่ต้องนับถือด้วยความจริงใจไม่ใช่สัตว์วันนับถือเวลาที่นั่งกรรมฐานนะความรู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะเวลาจเจริญกรรมฐานแล้วทั้งวัน แั่นหมายความถ้าจิตว่างจากอารมณ์อื่นมันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้สักมันหนึ่งข้างหน้ามันก็ตายแต่ส่วนใหญ่ที่จะคิดว่าอาจจะตายวันนี้ก็ได้เพียงมันไม่ของธรรมดาร่างกายจะตายไม่ใช่สิ่ธรรมดาในตอนนี้ในเมื่อยอมรับต่อถือพระเจ้าพระธรรมพระรญาสง์ด้วยความจริงใจก็เป็นจุดหนึ่งที่จะป้องกันใบใบภูมิแต่ว่ายังกันไม่ได้ตลอด ก, กาล ต่อไปก็ศีลปฏตปรามาตตอันที่ยอมรับน้องถือพระพุทธเจ้าประทาระสงค์ในตัดสัโยาข้อดีสองคือวิจิิจชาไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ในข้อดีสามศีลปฏตปรามาตรักษาศีลให้เคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้ากับกำหมดสิบเราจะไม่ยอมละเมิดเด็ดขาด ฉะนั้นหมายความว่ายังไงก็ตามจะไม่ละเมิดกันแน่แตอนนี้เราก็มาตรวจดูว่าหนึ่งการลืมความตายที่เรามีไหมเราจะเห็นว่ายังไม่ลืมความตายไม่หืมืแล้วไม่ลืมความตายมีความไม่ประมาทในชีวิตที่ว่าความตายอาจจะเข้าถึงเราในวันนี้ก็เสมอที่แล้วก็พยายามทําความดียอมรับนับถือพระบิดาเจ้าพระธรรมพระอาญยสองหลังจากนั้น ก็รักษาสิ้นหาครบถ้วนพอถึงรักษาสิ้นหาครบถ้วนนี้ก็ดูอารมใจถ้าบงอื่นกำลังใจก็ห่างนิพพานมาก่อนมาเข้าถึงจุดนี้กำลังใจมีความมั่นคงคิดไปจุดเดียวว่าถ้าเราตายเราเวลานี้เราต้องการปณิพันธ์อิจรักปิพันธ์อย่างเดียวขึ้นยี่สวรรค์ก็ดีพระมโลกก็ดีไม่มีความต้องการสำหรับเรา ตอนนี้เข้าเขคขรภูยายนเข้ามาโสดาบันหลังจากนั้นถ้าความเป็นระโสดาบันเข้าถึงจิตยอมรับนักธิกฎธรฎมรมดามรเริ่มมีขึ้นอารมณ์เริ่มเริ่มเยือกเย็นแต่ยังไม่สามารถตัดราคะโทสะโ ม, มหะได้นะแต่ว่าราคะโทสะโ ม, มหะยังมีอยู่แต่และ ว, ว่าอยู่ในขอบเขตตัวสินห้าตัวงความว่าจิตใจเริ่มมั่นคง จิตใจเรื่องเงยือกเย็นลงแยงกระถูกนินทาว่าร้ายเราเคยเคยโกรธมากมันก็โกรธไม่กันจะโกรธน้อยลงหรือว่าโกรธชาลงเอาวามาคาดมากร้ายการจองล้างจองผ่านไม่มีโกรธแล้วก็แล้วก็ไปผ่านแล้วก็แล้วก็ไปถ้าจิตใจของเรามีความรู้สึกว่าชีวิตนี่มันต้องตาย แล้วก็เรายอมรับนับถือพระเจ้าพระธรรมพระอริสงมีศีลห้ากับิสิบบริสุทธิ์ถ้าเรามั่นใจจริงๆอย่างนั้นเวลาว่างหน่อยหนึ่งก็ใช้กำลั ง, งทิพิยานเป็นเจโตริยานดูจิตใจของเราเองไว่าเวลานี้เราเป็นมระโสดาบันแลดีอย่างดูสิกขาบทเราไม่บกกร่อง แต่ว่ากระแสจิตจริงๆของเราจะแค่ชาลกีหรือความเป็นพระอรเดียเจ้าคราวนี้ถ้าจิตยังทรงแค่ชาลกีอยู่ในตอนนี้มันจะเป็นแก้วธรรมดาเฉยๆจะเป็นแก้วใสเฉยๆถ้าแก้วที่ผสมนิพพานายานชมามันจะเป็นแก้วใสสวยขึ้นแต่ว่าไม่มีประกายถ้าความเป็นพระอรเดียเจ้าคือพระโสดาบันปรากฏ จะปรากฏมีประกายรอบดวงจิตอันนี้ตระวังนะถ้ามีประกายรอบดวงจิตเลาะบางๆอันนี้ไม่ใช่พระอริยเจ้าเป็นนักเจริญวิปัสสนาญาณแต่ยังไม่เข้าถึงผ้าอรรถโสดาบันถ้าจิตมีกระแสใสเป็นแก้วแล้วก็เป็นประกายแผวพรายบริยัตมีความลึกประมาณหนึ่งในสี่ของจิต ต้องดวงจิตมันเป็นดวเป็นแก้วลึกไป็นหนึ่งในสี่ทจิตอย่างนี้จิตของท่านเป็นประโสดาบันในเมื่อจิตเข้าทรงเป็นบสดาบันแล้วมันจะมีการถอยพระโสุดาบั น, นไม่เสื่อมทํำยังไงก็ไม่เสื่อมถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นพระอริยะเจ้าขั้นหรือบสุดาบันตอนนี้เราก็มาดูคนอื่นบ้าง เขาเลยเจตัวิี้ยานอยากจะรู้ใจคนอื่นในการอยากรู้ใจคนอื่นตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาต้องตรวจใจเราก่อนดูใจแล้วว่าเวลานี้สะอาดหรือสกปรกถ้าสําสำนักท่านผู้ทรงฌานโลกีถ้าจิตมันมัวพยายามข่มสมาธิให้ทรงเจ้าขมลีวอนตั้งสมาธิให้ทรงตัวประเดี๋ยวจิตมันจะเปลี่ยนสี จาก ม, มัวมัวจากสกปรกค่อยสะอาดเกินทีละน้อยละน้อยถ้าคมถึงที่สุดจิตจะเข้าถึงอุเบกขาคือชาลสีจิตจะเป็นแก้วใสสะอาดอันนี้จะทรงสมาธิดีมากถ้าซ้อมแบบนี้อันนี้ถ้าเราอยากจะดูใจคนอื่นเราก็ต้องซ้อมดูใจตัวเองให้คล่องพาเหงินคนปั๊บเราอยากจะทราบว่าคนนี้ทรงฌานโลกีหรือเปล่าหรือว่าเป็นปุถุชนคนธรรมดา เราจะรู้ได้ทันทีว่าเขาทรงฌานโลกีหรือเปล่าหรือคนธรรมดาสมมติว่าถ้าเรามีกําลังใจใสขั้นถึงมโสดาบันเราจะรู้ใจคนอื่นได้แค่ระโสดาบันจะรู้สูงไปกว่านั้นไม่ได้หรือว่าเราได้ชันหนึ่งก็รู้จิตใจเขาแค่ชันหนึ่งได้ฌานสองสามสี่ 2, 3, ก็รู้จิตใจเขาแค่นั้นถึงเขาโสดาบันก็รู้จิตใจแค่นั้นเรารู้สูงไม่ได้ ถ้าเขามีกําลังใจสูงกว่าเราเรามองเห็นแล้วจะมืดไม่เห็นโวงใจเขาไม่เห็นจไม่เห็นกระสจิตของเขาอย่างนี้แสดงว่าท่านผู้นั้นมีกําลังใจสะอาดสูงกว่าเราตอนนี้ถ้าเราอยากจะทราบในเมื่อกําลังของเราไม่สามารถจะรู้ได้จริงๆแต่เราอยากจะรู้จะทําไงอันนี้ให้ติดต่อขอตรงขอบารมีตรงพระพุทธเจ้าตรง ขอถามดังว่าบุคคล น, นี้เป็นผู้ทรงชัยชั้นชั้นไหนเป็นพระยเจ้าขั้นไหนอยากจะรู้อันนี้ท่านบอกตรงแน่ตรองความว่าวันนี้กลับมายันกันแค่อยู่ตูปแบปาติยานมันยังไม่จบว่าอะไรขอทบทวนอีกหน่อยหนึ่ง ว่าทุกคนที่ปฏิบัติได้แล้วอย่าคิดว่าเท่าที่ทําได้มันพอมันเต็มกาลังของมนโนยิทธิอันนี้ยังไม่ได้พอทําได้แล้วต้องคล่องจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศกุญานต้องฝึกให้คล่องจริงๆเและการคล่องจริงๆกับทิศกุยานในการอยากรู้นี่อย่าลืมว่าเรารู้เองก็ได้ แต่ว่ากำลังใจของเราไม่แน่นอนนักรู้อาจจะผิดบ้างถูกบ้างและพลาดใครๆบ้างถ้าตรงกต้องการรู้ให้ตรงจรงิจรงๆให้ทูลถามพระพุทธเจ้าตรงจะไม่ผิดแต่ก่อนที่จะทูลถามพระพุทธเจ้านี่ต้องทำใจเป็นุเบคขาเสียก่อนคือทางกำลังใจให้มีความแจ่มใสโดยไม่ใช้เจโตวริยานใช้ทิฏกุญา น, เ, นเป็นกำลังของเจตวริยาน ดูจิตใจของเราก่อนว่าจิตใจเราใสาสะอาดดีแล้วหรือยังถ้าจิตใจเราใสาสอาจถึงขั้นแก้วเรียงไม่มีประกายก็ไม่เป็นไรถือว่าถ้ามีประกายมีประกายแจ่มใสพอไหมเป็นเจ้าสะอาดพอไหมถ้าใจเป็นแก้าสะอาดดีรประกายแผวพรายบริยัปดีแสดงว่าเวลานั้นจิตมีเบิกขา ย, ยาย ถ้าจิตเป็นเบรคขายจานก็ไม่มีอปาทายเขากินตอนนี้เราก็ถามตรงพระพุทธเจ้าจะไม่มีการผิดจากคําพยากรณ์พระองค์เลยแต่ว่าถ้าเราจับพบระจะผูจิตกําลังโม่มั ว, มวกิเลสกาลังครอบงำจิตจะกําลังคิดอยากเกิดขึ้นอยากจะรู้อุปาทายกินคิดว่าคนนั้นเนชั่วคิดว่าคนนี้เขาดีอารมณ์นี้ยังมีอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้จะถูกมาร แทนพระพุทธเจ้าการบังมารคือกิเลสสมารจับแสดงตนเหมือนพระพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสผ่องใสมากและพยายกรณ์ผิดๆถูกๆไม่ตรงตามความไปจริงฉะงนั้นขอบรรดาวิสุทธิธสมณีนญาโยงพทธบรทสารีริัธาตุบับงข้อนี้มากวันนี้ก็พูดได้แค่นี้นะต่อที่ไปก็เป็นการแนะนาในการฝึกโนยิทธิ อทีพูดเนี่ยก็เป็นวิทยาเป็นวิชาการคโนวณยทธิต้องใช้กันการฝึกกรรมฐานที่เรียกว่ามโนยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์แทนใจอันดับแรกจะต้องสร้างทิุ ย, ยานให้เกิดก่อนแต่ว่าก่อนอื่นทั้งหมดขอทุกคนก่อนที่จะภาวนาในเวลานี้ก็ได้ พวจจะเจ้ า, จาได้นาให้แผ่เมตตาจิตไปนจักรวาลทั้งปวงคือทั่วโลกทั่วโลกทุกจักรวาลว่าใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะเป็นมิตรที่ดีของท่านผูนั้นเราจะไม่เป็นสัตจูกับใครคนก็ตามสัตว์ก็ตามในโลกนี้ถ้ามีความทุกข์ถ้าไปเกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุข สร้างกำลังใจแบบนี้ได้ลมใจจะเยือกเย็นหลังจากนั้นก็ใช้ใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเฮ้ยเวคือเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้หลังจากนั้นก็ใช้คำภาวนาควบคู่กับลมให้ใจ เวลาให้ใจเข้านึกตามบันนมะเวลาให้ใจออกนึกตามมัพะทะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามบันนมะเวลาให้ใจออกนึกตามมัพะทะเวลาให้ใจปล่อยไปตามเรื่องของร่างกายร่างกายให้ใจแรงให้ใจเบาก็เป็นเรื่องของร่างกาย อย่าบังคับร่างกายเป็นที่พระจิตเข้าไปรับทราบถ้าจิตรู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกชั่ววิจิตมีสมาธิแล้วเป็นสมาธิแนวนาปาโนสติหลังจากนั้นก็ภาวนาควบให้ใจเข้านึกวานาะพระนี่รู้รู้เป็นสมาธิในภาวนาด้วยให้ใจออกเนื้อพาทะเป็นอรูเล่นจะเป็นปนัล น, นวมีสมาธิสองขั้นสองอย่างร่วมกันคือนาปานสติกับคำภาวนา ในขณะที่ภาวนาอยู่ขอทุกคนอยา่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเบ่งบาดถ้าไปอยากรู้อยากเห็นในตอนนั้นอารมณ์จิตจะพุ่งสัน้นจิตจะไม่เปสมาธิไม่มีกําลังขณะที่ภาวนาอยู่นั่นเฉพาะต้องการให้จิตทรงกําลังท่านเองความเป็นทิพย์ยังไม่เกิดความเป็นทิพย์จะเกิดได้ตอนต้องใช้ปัญญาตัดกิเลส อันนี้แต่ต่อไปก็จะครูเขาจะแนะนำเวลาที่ครูเข้าไปแนะนำนะตอนนั้นให้ทุกคนเลิกจากภาวนาเลิกจะรูร้ลมหายใจก็ออกเขาจะให้ภาวนาอยู่ประมาณสินาทีมีคนไปนั่งข้างหน้าก็ดีนั่งกลางวงกว็าตามทราบว่าเขาจะเข้าไปแนะนำเรื่องครูสอนพอเขาเริ่มเข้าไปแนะนำแล้วก็เลิกภาวนาเลิกรูร้ลมหายใจก็ออก แต่ว่าเอาใจไปจดจ่อที่เสียงที่เขาพูดเขาจะแนะนําในการด้านตะกิเลสขณะที่จิตเราฟังเสียงธรรมะในการด้านในด้านตะกิเลศอยู่เวลานั้นจิตก็จะว่างจากกิเลสความเป็นทิพย์จะเกิดในเมื่อความเป็นทิพย์จะเกิดตอนนี้ครูก็เห็นว่าความเป็นทิพย์มีแล้วแกบคุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตามในวงนั้นเนี่อาจจะเป็นหลายๆคนก็ได้ เขาก็อย่าถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้านาบ้างอย่าลืมว่าก็ถามทั้งความรู้สึกแล้วไม่ได้าถามทั้งตัวเขาเขาหมายถึงเทวดานาวฟ้าหรือภูมิรัพระดีเจ้าที่ท่านสงเคราะห์ถ้ามีความรู้สึกว่ามีอย่ายั้งตัวให้ตอบทันทีว่ามี ต้องมีความรู้จักมีความเข้าใจว่าความรู้สึกแรกถูกต้องเสมอไม่ผิดผิดหรือไม่ผิดไม่ต้องกลัวเพราะเราเรากําลังศึกษาต่อไปเราจะถามว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายเราก็ตอบตามความรู้สึกของเราเขาถามว่าท่านผู้นั้นแต่งตัวสีอะไรถ้าตอบถูกอย่างนี้ก็แสดงว่ากําลังความคิดเริ่มมี ให้ความเป็นทิพย์จะได้กันย่อมไม่สม่ําเสมอกันบางคนได้จิตสะอาดมากจิตมีความรู้สึกมองเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากถ้าจิตสะอาดไปกลางจิตมีความรู้สึกแต่เห็นภาพไม่ชัดเจนนักถ้าจิตสะอาดน้อยมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพแต่ทั้งนี้ทั้งหมดให้เชื่อความรู้สึกของจิต หลังจากนั้นแล้วครูเขาจแนะนําให้ไปพัตตุลามุนีเจดีสถานอันเป็นที่ธรรมสการณ์พระเทวดาและพรหมที่นั่นเป็นที่บรรจุว่าเกี่ยวแก้วกับมวยผมพระพุทธเจ้าไปและจะพบพระพุทธเจ้าพระอารหันต์ที่นั่นพระเทวดากับพรหมถ้าไปชมนวสการณ์ที่นั่นพอสมควรกําลังใจดีเขาก็จะแนะนําให้ท่องเที่ยวไปสู่พภพนิพพาน ลำรับญาติโยมที่ได้แล้วถ้ามีการซักซ้อมก่อนจะซักซ้อมคอ้ตั้งอารมณ์ใจยึดอริยสัจเขินทุกในร่างกายทุกในความเกิดทุกในความแก่ทุกในความป่วยทุกทุกในความตายไม่เห็นทุกอย่างนี้เราคิดว่าขึ้นชื่อวความเกิดอย่างนี้ไม่ตรงเราจะไม่มีต่อไปจะขอตายเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นก็จิตใจจับพระรูปประโงค์องค์สมเด็จพระสัมมานุทเจ้าท่าทีเคยเห็นแล้วให้ชัดเจนแจ่มใสต่างกําลังตั้งกําลังใจคอยครูทิฏฐผ่านอย่างนี้ทุกท่านเวลาครูไปซ้อนจะมีสภาพชัดเจนแจ่มใสและคล่องตัวมากอัลบรรดาญาติโยมพระตบิษฐ์ตอนนี้ไปขอทุกท่านหันหน้าไปทางพระรูปเพื่อสมาทานศีล ส, สมาทานกรงกฐาน